เชื่อไหมว่าเขาจะคิดถึงคุณของพุะรัชย่าได้จริงๆถ้าแบบเนี้ยเชื่อไม่เชื่อเห็นไหมเนี่ยนี่คือการขาดสติอย่างอย่างยิ่งเลยเนี่ยแล้วลองคิดดูที่ว่าเมื่อตายด้วยราคะตายด้วยโทสะอย่างเนี้ยที่ไปของเขาคืออบายทุกขติวิิญาณในโลกจริงๆนี้นี่แหละนี่เป็นข้อเตือนเตือนใจอย่างมากเลยวันนี้เลยว่าเพราะจิตของเขาที่ไปณนะสถานที่ตรงนั้นเขาก็ไม่เคยมีความผูกพันกับพระรัตนตรัยอยู่แล้วนี่นะ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 ของชาวพุทธจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยกับกายที่จะต้องหลงละเริงกับสิ่งเรลงลมมัวเมากับสิ่งเหล่านี้อย่างมากมายอันนี้มองแล้วก็สะท้อนกลับมาดูตนเองแล้ ว, ลวเรากําลังทําอะไรอยู่ซึ่งถ้ากรรมเหล่านั้นมาตามมาถึงเราเราจะกลายเป็นคนที่ลืมพระพุทธเจ้าไปในช่วงเวลาลมหายใจจะขาดหรือไม่อันนี้ก็มาคิดนะก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะถ้างนั้นมันจะเจ็บปวดเองในชีวิตนึงค่ะพวกเรา อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ในทํานองที่ไปชุมนุมในแง่ของสถานที่เริงลมแต่อย่าลืมนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากําลังประชุมไปด้วยการรับกรรมคุณต่างๆอันได้แก่รูปอารมณ์ที่รับแล้วก็ทำให้เราได้นั้นยังติดยึดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังติดยึดอยู่ก็ลองเปรียบเทียบกับภาพเถอคะค่ะ เราอาจจะต้องนอนกันเป็นกองแบบนี้ถ้าเรายังติดยึดอยู่ทางการทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะเราเห็นภาพนี้เห็นไหมคะสายตาของใครหลายคนก็รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาทันทีน ะ, ะภาพที่เห็นคงจะจูงจิตพวกเราครั้งที่แล้วมีประเด็นนี้ที่มองว่าเรายังไม่สามารถที่จะเก็บเป็นประเด็นไว้ใช้ในชีวิตของพวกเราได้ อีกหลายๆคนอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยชี้ประเด็นนะคะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยค่ะเราจะปิดตาพ่อแม่ของเราอย่างไรด้วยท้ายคําอย่างไรด้วยเนื้อหาอย่างไรในเวลาที่กระชับสั้นในลักษณะคล้ายๆกันขออนุญาตพระอาจารย์เจริพออญพรยอดโยมเมื่อสามวันที่แล้วอาตมาได้มีโอกาสได้ไปให้ข้อมูลกับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เขาโทรมาตอนเที่ยงคืนบอกว่าคนไข้เหลือ80แล้วความดันให้มาหน่อยพอจะมาก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็ได้ไปคุยกันแต่ไปตอนเช้านะโยมเพราะเที่ยงคืนไม่อยากไปแล้วไปตอนเช้าก็มีโอกาสได้ไปให้ข้อมูลนะโยมยายคนนั้นชื่อว่ายายรัต ด, ดายายรัต ด, ดาเนี่ยเป็นคนที่เข้าวัดเป็นประจําป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ หลอดลมเป็นระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันญนะาติก็เลยตัดสินใจให้นิมนต์พระบอกพยาบาลให้นิมนต์พระก็เลยไปก็ไปให้ข้อมูลนะซึ่งคนไข้เนี่ยก็ขยับเนื้อขยับตัวแทบไม่ได้แล้วแต่ปากขยับได้ปากขยับได้ไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยอย่างยายยังมีความรู้สึกไหม อาตมาเรียกแม่แม่รัตดายังมีความรู้สึกอยู่ไหมเขาบอกว่ามียังขยับปากได้อยู่ก็เลยให้สวดอิติปิโสก่อนเลยก็ประนมมือญาติก็ต้องจับมือให้ประนมมือแล้วก็ขยับปากอิติปิโสพระคาวาอรหังส ม, มาสามพุโทโวว่าได้หมดเลยจนจบเพราะว่าจบแล้วก็ไอไอขึ้นมาเพราะว่าหมดแรงไอไม่ไหวแล้ว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 ให้นึกถึงตรงนั้นเสริมให้ยายลัดดาไปอีกว่าตอนนั้นที่ทําเนี่ยเราได้ถวายแค่พระภิกษุเท่านั้นให้ยายเพิ่มไปอีกว่าเอา่อให้พระนั้น่ะเป็นตัวแทนของสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ยายคิดเพิ่มไปอีกนายายก็หลับตาไม่รู้คิดหรือเปล่านะแต่มาไม่ทราบแต่บอกข้อมูลไปอย่างนี้แล้วก็บอกข้อมูลไปอีกว่า วัตถุต่างๆที่ยายให้อะยายได้ทำดีแล้วยายได้บารุงนะบิดามารดาได้ให้ลูกได้ให้ภรรยาสามีอ่ะได้ให้สามีได้ให้ลูกได้ให้ญาติต่างๆได้ให้พระภิกษุสามเณรยายได้ทำไว้ดีแล้วยายได้ฝังทรัพย์นั้นไว้ดีแล้วนะซึ่งวัตถุต่างๆเนี่ย ยายอย่าไปเสียดายนะเพราะว่าวัตถุต่างๆมันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะไงแล้วโลภะมันก็เป็นเหตุนำมาซึ่งซึ่งระโยมทิฏฐิกับมานะนะดังนั้นเมื่อยายสละไปได้ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยชื่อว่ายายกำลังทำอะไรกำลังสละกิเลสไปจากใจยายกำลังสละกิเลสไปจากใจนะยายเริ่มมีหน้าตาสดใสขึ้นมาบ้างอาตมาสังเกตและก็เดาเองเสร็จแล้ว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 และกูกุ จ, จะยายทำลายสองส่วนแล้วนั่นเนี่ยที่ยายให้ทานไปทุกวันทุกวันเนี่ยให้ข้อมูลยายไปยายทำลายไปสองส่วนแล้วส่วนโลภะและลูกน้องเขาส่วนโทสะและลูกน้องเขาตัมมาก็เลยพูดตอไปอว่ายายรู้ไหมสิ่งที่ยายให้ไปเนี่ยผลของมันมากมายมหาศาลเลยนะถ้ายายให้ข้าวไปนะผลของมันก็คือ ยายจะได้อายุวันณะสุขาภลรัติพานให้น้ำไปจะเป็นเครื่องกำจัดความกระหายคือเกิเลตให้ผ้าจะทำให้ยายมีผิวพรรณผ่องใสแล้วยังได้เครื่องประดับคือฮิริโอตปาอีกฮิริโอตปาเป็นเหตุให้ได้ศีล น, นะโยนะความไม่เดือดร้อนใจปราโมดปีติปสัสธิความสุขสมาธิยถาภูตยานศสสสะและไล่ไปจนถึงวิมุต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 บุตรภรรยาสามีลูกหลานบริวารเชื่อฟังถ้าให้ถูกการถูกเวลาเหมาะสมก็ทําให้เรามีความบริบูรณ์ทั้งสามวัยทั้งปฐมวัยมัธย ม, มวัยปัจิมวัยถ้าให้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์ให้สละขาจะทําให้เราสามารถบริหารทรัพย์ที่เรามีอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถบริหารได้นะว่าจะเอาไปทําอะไรไปทําบุญที่ไหนไปสร้าง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 ยายตอบไม่ได้แล้วหมดแรงตั้งแต่สวดจบอิติวิโสว่าแต่สรุปแล้วทีนมิทะ ก, ก็ถูกทําลายด้วยไหมโ ย, ยงเพราะมันเกิดกับโลภะกับโทสะวิจิตรฉาเกิดกับโมหะถูกทํำลายหมดเลยไหมเนี่ยถ้าทําถูกนะทำถูกกําจัดกิเลสแน่นอนแล้วที่สําคัญเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับคนตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับสัตว์ตลอดเวลาอยู่คนเดียวยังเกี่ยวข้องไหมโยง ยังเกี่ยวอยู่จุดนั้นแหละถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าก็ยังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะเราเกี่ยวข้องหมดเลยดังนั้นเดินทานได้ตลอดเลยไหมบูชาได้ตลอดเลยไหมแล้วท้วันสุดท้ายมาถึงหรือเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆจะนึกไม่ได้เฉยเหรอขนาดยายยังนึกได้เลยยายไม่มีข้อมูลเลยนะยังนึกได้แล้วเรามีข้อมูลโยมเราเรามีข้อมูลนะดังนั้นไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะโยมเนาะ มีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเมื่อสักครู่พอดีนักศึกษาถามว่าแล้วถ้าพ่อแม่สมองฟอจะทำอย่างไรและถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมพ่อแม่จะลำคาญไหมและทำอย่างไรเจ้าค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะจะทำยังไงข้อมูลยังคงเข้าไม่ได้เพราะสมองฟอแล้วนะคะแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมเลยจะทำยังไงท่านจะรู้สึกลำคาญไหมเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่เราที่เราเรียนกันคือสภาวธรรมเนาะี่เรียนอภิธรรมเนี่ยเราเรียนสภาวธรรมเรียนปรมตถ ธ, ธรรมป ร, ปรมตถ ธ, ธรรมเราก็เรียนทั้งกายวิญญาต์วจีวิญญาตด้วยดังนั้นถ้าเกิดสมองฝ่อแล้วเนี่ยพูดเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วหลวงปู่ชาจะยกตัวอย่างเนาะหลวงปู่ชาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนโะยมนะ แต่ท่านทำไมมีลูกสิทธิ์เป็นคนต่างประเทศท่านก็ใช้วิธีปฏิบัติให้ปฏิบัติตามนะถ้าเกิดแม่หรือพ่อของเรารับรู้ในการฟังไม่ได้แล้วเราก็ใช้วิธีปฏิบัติท่าน ท, าทำทไม่เป็นนะคะอพอดีกาลังอนุมาดึงคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปแล้วนะคะคงก็จนลักษณะเดียวกันท่านทาไม่เป็นอนะ ก็ให้ให้ท่านดูนะให้ท่านดูการกระทําของเราท่านน้อมนึกได้นี่ยอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยมัทกุลธลีเนี่ยพ่อเป็นมหาเศรษฐีนะแต่ไม่มีโอกาสให้ลูกได้เรียนหนังสือเลยไม่ให้ลูกเรียนหนังสือนะมัทกุลธลีโชคดีมีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าก็น้อมใจกายกวาจาไม่ไหวแล้วแต่น้อมใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ า, าลมหายใจหมดไปบังเกิดเป็นเทพบุตรุเพราะความเลื่อมใสนั้น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 เออเอาไปของไปวางไว้แล้วเหลือก็ได้กลับมากินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะช่วยท่านยังไงในวาระอย่างนั้นค่ะเพราะว่าด้เขาก็ศรัทธาในในรูปปั้นสัญลักษณ์ที่เขานับถือตอนนี้เราจะทําศรัทธาตรงนี้ให้เกิดขึ้นปรากฏกับท่านเนี่ยมันจะเป็นการเสี่ยงไหมนิมนต์พระอาจารย์ไม่มีข้อมูลเลย <c oughs> ในศา <c oughs> ส, สนาของพระศาสดา ห, หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ถ้ามีข้อมูลหน่อยนะก็มีโอกาสนะใช่ค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นเป็นตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราก็ควรน้อมอารมณ์ที่ดีนะคะอาจจะเป็นกลิ่นที่ดีของดอกไม้บอกว่าเนี่ยบูชานะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ต้องไปให้ท่านได้นึกถึงอารมณ์ที่มันจะเป็นโอกาสในการที่จะทําให้ศรัทธาเนี่ยออกนอกไปจากศรัทธาที่จะน้อมบูชา พระรัตนตาลคงต้องใช้ปัญญาของเราเองนะคะในการที่จะช่วยท่านก็จะให้ท่านได้มีโอกาสได้ได้บูชาได้เคารพพระพุทธเจ้าบ้างค่ะแม้แต่จะไม่มีข้อมูลก็ตามหรือไม่เคยศรัทธาก็ตามเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลในตอนนั้นแหละสุดแล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นเป็นเหตุของท่านแล้วแต่เราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วก็ให้ทําใจเนาะ ถ้าเกิดจะได้ผลอย่างไรเนี่ยเราก็อย่าไปเสียใจนะแต่เราได้ทําหน้าที่ของลูกแล้วสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะเพิ่มเติมนิดหน่อยสองประเด็นก็คือประเด็นสมองฝ่อกับสมกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยสมองฝอนี่เป็นเป็นโรคที่ถ้าฝ่อจนมากแล้วจะจําอะไรไม่ได้จริงๆเพราะสมองพอเริ่มฝ อ, งอลงฝอลงนะเขาก็จะจําชื่อตัวเองไม่ได้นียตรงนี้ เมื่อจำชื่อตัวเองไม่ได้เนี่ยการการที่จะสอนทางสื่อต่างๆก็จะเริ่มปิดโอกาสถามว่าสภาพที่สมองปอเนี่ยเป็นด้วยอํานาจของอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครรู้ว่าผู่ตายายยายแม่แต่ตัวเองเนี่ยเริ่มมีสภาพเป็นการหลงหลืมมากขึ้นแล้วตรงนี้ต้องรีบนีต้องรีบแล้วหนึ่งแก้ไขด้วยการทั้งยาทั้งอะไรช่วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือต้อง เรื่องข้างนอกออกให้ทันเพราะฉนั้นบ่งบอกว่าเวลาจวนเจียนแล้วใกล้ชิดยิ่งถึงที่สุดแล้วถ้าโรกหลานที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องพยายามให้ข้อมูลให้มากเพราะที่สุดจริงๆอ่ะถ้าท่านได้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องกุศลถ้ามีกําลังพอจะเป็นทิฏฐาธรรมเวทียกรรมอุดหนุนอุดหนุนรูปนามที่เกิดจากชนกรรมในดีดเนี่ยพอจะให้สามารถที่จะ อาจจะอยู่ได้ยืดหรือยืนยาวขึ้นในสภาพที่ความระลึกได้ทั้งหลายเหล่านี้ตรงนี้ก็ต้องแก้ไขนั้นจุดนั้นนอกจากอุบายวิธีที่ท่านายานมหาน า, นนาทินใน้ข้อมูลไว้อันนี้เสริมตรงนั้นหน่อยสว่วนในกรณีที่บุคคลไปนับถือสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่พระราตนาไตรแต่เป็นคนดีอย่าให้ขับเน้นที่ตัวอารมณ์แต่ให้ขัดเน้นตัวความดีเพราะความดีนั้นเป็นกุศลให้ท่านนึกถึงความดีตรงนั้น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 ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องมาฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมในแง่มุมของเราชาวพุทธเราจะได้ยินแง่มุมที่ว่าการปฏิบัติมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เมื่อเราไปใน